ถ้าถ้าสติที่เป็นสติปัฏฐานละเลึกกายว่าอย่างไงรละเลึกว่ากายเป็นอสุภะอันนี้โดยสรุปโดยสาระนะละเลึกเวทนาว่าเป็นทุกข์ละเลึกธรรมะว่าเป็นอนัตตาละเลึกจิตว่าไม่เที่ยงอันนี้หมายความว่าถ้าสติเต็มเต็มที่ภารกิจของสติเต็มเตียมแต่ถ้าเบื้องต้นของสติละ่ะสติจะแยกแยะอะไรได้ออกบ้างแยก ว่านี้กุศลนี้อกุศลนี้ทำดำํานี้ทำขาวนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ให้ผลเป็นสุขนี้ให้ผลเป็นทุกขนี้ควรเจริญนี้ไม่ควรเจริญอันนี้คือสติเบื้องต้นเลยนะดังนั้นถ้าศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยสติมาจะแยกนามรูปอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นธรรมมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็น อกุศลคืออยากกระโดดข้ามมาเจริญทิฏฐิวิสุธทธิเลยเพราะฉะนั้นคำว่ามีสติเนี่ยนะสติตัวนี้เป็นเหตุให้เจริญให้เจริญศีลและวิสุธทธิได้ถ้าไม่มีสติเป็นต้นให้ดีนะรักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีอบรมเมตตาเป็นต้นไม่ได้หรอกเจริญอสุภะไม่ได้หรอกทีนี้ถ้าคุณธรรมเบื้องล่างฐานไม่ดีสติที่จะมาแยกแยะขันธธาตุอายตนะนามรูป สัจจะปฏิจจสัมบูดาเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะมันสติตัวนี้จึงสําคัญมากมันพระองค์ตรัสว่าอาหารของสติสัมโพชงคือโยนิโสมนัิการในธรรมดำในอะไรนะในธรรมดำธรรมขาวธรรมมีโทษธรรมไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะสติที่ระลึกตั้งมั่นได้อย่างนี้นั่นแหละเป็นอาหารที่ดีของสติสัมโพชง นั้นคนที่มีสติเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าคนที่มีวิจารณญาณอย่างดีก็ไม่ผิดมันก็ปัจจัยแห่งกุศลนี้ต้องกําหนดให้ชัดเจนเลยนะการรู้ปัจจัยแห่งกุศลเพื่ออะไรเพื่อการเจริญเพื่อการอบรมให้ให้มีขึ้นเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในโอคะห่วงแห่งโอคะห่วงแห่งตันหามานะทิฏฐิห่วงแห่งบาปแห่งอาปุศลอย่ารังเกียจปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ดังที่กล่าวว่าปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะมองไกลๆหน่อยคืออะไรคือการอยู่ในป ฏ, ปฏิรูประเทศที่สมควรในสถานที่ที่สมควรต่อการเอาแค่ไหนประเทศไหนจึงสมควรประเทศที่สามารถครบสัตบุรุษได้คือว่าประเทศที่สมควรเพราะสามารถครบสัตบุรุษภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลาย นะเมื่อได้อยู่ประเทศตรงนั้นแล้วได้คบสัตบุรุษได้ที่ตรงนั้นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ในปฏิรูปประเทศได้คบสัตบุรุษประโยชน์ของการคบสัตบุรุษเพื่อเพื่อฟังพระสัตธรรมเพื่อฟังพระสัตยธรรมการฟังพระสัทธรรมเนี่ยนะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ให้ได้ไปโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเพื่อจะได้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิการนี่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นเหตุใกล้แห่งขานักุศลเป็นเหตุใกล้แห่งสีลกุศลสมาธิกุศลภาวนากุศลปัญญากุศลเป็นต้นอันนี้คือการกําหนดปัจจัยที่เป็นอาสาที่เป็นอาสาธนนะใช่ไหมเพราะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเฉพาะเป็นปัจจัยแก่กุศลเท่านั้นทำที่มีประการตรงกันข้ามเป็นปัจจัยแก่นามแก่นามที่เป็นอกุศล ข้อแรกคืออะไรไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีนะนะไปอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอยู่ในภาวะสงครามแล้วนะใครเจริญกุศลได้เก่งมากนะประเทศที่มีสงครามเนี่ยนะรบกันหันแหลกไปหมดเนะี่ยยากนะแค่เด็กๆมันทะเลาะ ก, กันนี่พ่อแม่กับกุศลไม่ค่อยเจริญแล้ว <laughs> ทีนี้ต่อไปการคบอสสัดบุรุษคบอสสัดบุรุษอสสัดบุรุษเป็นยังไง คนที่มากไปด้วยอาการล่วงอกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละเรียกว่าอสัจบุรุษแล้วเกี่ยวข้องไม่ธรรมนาต้องไปนั่งฟังอสัจบุรุษพูดให้ฟังอสัจบุรุษเนี่ยนะจะชมปานาติบาตชื่นชมอธินนาทานชื่นชมกาเมสุมิจฉาจารชื่นชมมูสาวาจชื่นชมปิสุณาวาจาชื่นชมสัมผัปปลาปะชื่นชมพฤทวาจาชื่นชมอภิชาชื่นชมพยาบาทและชื่นชมต่อ มิจฉาทิฐิเนี่ยนะชื่นชมต่อมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปฟังถ้อยคำเหล่านั้นอโยนิโสอโยนิโสมนัสการก็จะคล่องเราก็จะซ่องเสพสิ่งเหล่านั้นเมื่อชํานาญในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะเจริญอกุศลนั้นๆได้ทันทีสมมติถ้าใครจะทําปานาติบาสักด์หนึ่งครั้งเนี่ยนะถ้าสาวหาปัจจัยแล้วจะได้ครบสูตรเลยนะว่าทําไมเราจึงฆ่าสัตว์ในตอนต้น ในตอนแรกที่เราฆ่านะทำไมจึงฆ่ามาเพราะเราได้ฟังได้เห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าเราได้รับการแนะน้ให้ฆ่าหรือได้เห็นเขาฆ่าเราจึงเจริญรอยตามเขา น, นะตอนแรกก็เป็นสาสังขาริกก่อนใช่ไหมตอนหลังอาสังขาริกเองเลย่ น, นะเขาชี้ข้างเดียวพอและที่เหลือเป็นเองไม่ยาก อันนั้นคือปัจจัยของอกุศลธรรมทั้งหลายเกือบทุกเรื่องเป็นอย่างนี้หมดเลยอกุศลใดที่เราล่วงล่วงไปเนี่ยก็เกิดจากไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเพราะไปคบอกสัตว์โบสดแล้วก็ฟังอกสัตธรรมคือฟังสิ่งที่ไม่ใช่สัตธรรมฟังสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยต้องไปเจริญอกุศลการรู้ปัจจัยแห่งอกุศลนี่สําคัญมากในในอะไรนะ ในนิวรณ์บัพพะนี่แสดงไว้ชัดเจนเลยนะแสดงเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของอกุศลฉั้นคนที่จะรู้อกุศลจะต้องรู้รกฎเกณฑ์ปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีเช่นอะไรเมื่อการมฉันทานิวรณ์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าการมฉันทานิวรณ์มีอยู่ณภายในเมื่อการมฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่า กามฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในการมาฉันทานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยมันก็ถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในปัจจัยของ อกุ ศ, ออกศลเป็นอย่างดีเนี่ยนะรอบรู้ปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของพยาบาทนิวร ร, รอบรู้ปัจจัยของถีนมิธานิวรรอบรู้ปัจจัยของอุทจักกุกกุจานิวรรอบรู้ปัจจัยของวิจิกิชานิวรรภว่านิวรรเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ไม่ต้องให้มันบริบูรณ์นะเพราะว่า นิวนบริบูรณ์นี่ท่านอะไรบริบูรณ์รู้ไหมวัตตาบริบูรณ์เนี่ยนะแต่หมายความว่าถ้ารู้นิวรนอย่างี้แล้วจะละมันได้อย่างไรก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็ละได้เด็ดขาดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรต้องรอบรู้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ท่านจึงบอกว่าปัญญาเหมือนดังศาสตราเพราะควา้าเพราะควานควาน ตันหาควานบาปควานอากุศลเป็นดังศาสตราของหมอที่ตัดเอาบาปอากุศลเนี่ยชำระบาปชํแหล ะ, าหละอากุศลนั้นออกไปอันการรอบรู้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้สําคัญมากรอบรู้ปัจจัยแห่งอกุศลแต่ก็ยังเลื่อมใสอีกบัพพาหนึ่งคืออายตนะบัพพาเนี่ยนะอายตนะบัพพะนั้นก็ถือเป็นบัพพะที่ที่เห็นชัดในลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะ ละสิ่งที่ควรละเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะอะไรเพิ่งทราบอะไรนะย่อมรู้ชัดจากสุย่อมรู้ชัดรูปย่อมรู้ชัดสังโยชนสิประการที่อาศัยจากสุและรู ป, ปว่าลืมตาปั๊บสังโยตนะิสิบเกิดได้ยังไงนะสังโยนที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยนที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยนที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพะฉะนั้นคนที่รอบรู้ลักษณะนี้เรียกว่ารอบรู้ปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลนามธรรมทั้งหลายที่เป็นนิโวนนามธรรมทั้งหลายที่เป็นสังโยชนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอนุสัย น, นะปัจจัยแห่งอนุสัยคืออะไรสุขเวทนาถือว่าเป็นปัจจัยอย่างดีของ กามราคานุสัยภวะราคานุสัยและมานานุสัยทุกขเวทนานี้เป็นเป็นตัดใจแก่นุใสอะไรปฏิคานุใสอวิชานุใสวิจิกิจฉานุใสทิฏฐานุใสอุเบขาเวทนาก็นะเป็นอาหารของอะไรอนุใสบ้างอ่านะทั้งภวะราคานุใสมานานุใส ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยได้ตั้งหลายตัวนะอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยอีกหลายชนิดมากแต่ทั่วทั่วไปเปรียบง่ายๆว่าสุขเวทนาเมื่อเกิดก็ราคาอนุสัยก็นอนเนื่องปฏิคารทุกเวทนาก็อะไรปฏิคาอนุสัยก็นอนเนื่องถ้าโมหะเกิดขึ้นอวิชานุสัยก็นอนเนื่อง เพรฉนพวกนี้เนี่ยจะต้องรอบรู้ปัจจัยของพวกอนุสัยรอบรู้ปัจจัยของนิวรรธ์รอบรู้ปัจจัยของสั่งโยต์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้แจงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามนิยต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องทําความเข้าใจให้เพียงพอถ้าเข้าใจไม่พอแล้วได้ดีนะฮูหลายคนได้ดีน่าจะได้ดีไปนานแล้วเนาะเพราะปกติก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่แล้ว แต่ถ้าลองเข้าใจดูซิดียังไงบ้างเนี่ยนะแก้ว่าหน้าศึกษาในสิ่งที่มันตรงกันข้ามดูนะเขาบอกว่าถ้าโกรธแล้วจะได้สักมรษสองมรษนี่คงได้กันหลายมรษแล้วนะถ้าโลภกันแล้วได้สักมรษสองมรษ ก, ก็ได้หลายมรษไปแล้วแต่นี้ไม่ใช่จะต้องมาเจริญกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้เจริญกุศลต้องรู้ปัจจัยของกุศลถ้าจะละอกุศลต้องรู้ปัจจัยของอกุศล แล้วละที่ปัจจัยตัดที่ปัจจัยเหมือนคนที่จะดับไฟเนี่ยนะเขาดับที่ไหนเขาดับที่ต้นเหตุหรือเขาดับที่ตัวไฟเลยนะผู้ฉลาดจริงๆเขาจะเริ่มดับที่ตัวเหตุเริ่มตัดเหตุตัดเหตุตัดเหตุไฟทั้งหลายก็จกดับนะไฟทั้งหลายก็จกดับแต่ถ้าโอ้ยให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยดับความโกรธดับต่อหน้าต่อตาดับง่ายไหมนะที่มันดับได้ก็ฟืนหมดแรอะส่วงนั้นนะ ฟืนมันหมดพอดีเลยนะก็เลยเนือนโอ้ยนึกว่าเจ๋งดับได้ที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกฟืนมันดับพอดีนะหมดฟืนก็เลยมันดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เขารอบรู้เรื่องอกุศลเนี่ยเขาสามารถสมาทานน้อมไปพิจารณาเพื่อตัดเหตุตัดปัจจัยแห่งอกุศลโดยประการต่างๆนั้นปัจจัยอกุศลหลักๆนะคืออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรไปครบอสักบรุท ไปฟังอสัตธรรมแล้วภายในก็อโยนิสโสมนสิกานเกิดขึ้นอกุศล น, นั้นๆก็จะเกิดขึ้นตรวจ ด, ดูเสอบนี่คือปัจจัยกว้างๆปัจจัยใหญ่ๆของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ปัจจัยของวิบากล่ะกรรมเป็นปัจจัยวิบากของเอ่อเป็นปัจจัยแกนนามธรรมที่เป็นวิบาก กรรมนะเป็นปัจจัยแกนนามธรรมที่เป็นวิบากกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะให้ผลได้ไหมไม่ได้จากครูวิญญาณนี้เป็นจิตชาติอะไรชาติวิบากวิบาก ค, คือจากครูวิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นได้เพราะกรรมก็จริงแต่จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นคืออะไรวัตถุทวารวัตถุทวารอารมณ์อาวัชนะ และได้ปัตูปนิสยะได้ปัจจัยตั้งหลายอย่างกรรมจึงให้ผลนะได้ปัจใจหลายอย่างกรรมจึงให้ผลได้ปัจจัยของโสตวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องมีหูมีเสียงมีอาวชนะมีอากาศเนี่ยนะมีช่องเนี่ยกรรมแนอดิต จ, จึงให้ผลเป็นโสตวิญญาณได้มีจมูกมีกลิ่นมีอาวัชนะ แล้วก็มีอะไรมีลมมีลมพัดเนี่ยนะกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นคารณวิญญาณได้ะมีลิ้นมีรสมีอาวัชนะมีน้ําลายมีอาโปธาต์เนี่ยนะกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นเชียวหาวิญญาณได้กายล่ะต้องมีกายมีโพธิภาพมีอาวัชนะมีปฐวีมีปฐวีธาตุเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ กรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นกายวิญญาณได้เพราะนั้นทวิปัญจะเนี่ยเป็นชาติวิบากก็จริงแต่อาศัยปัจจัยอีกตั้งหลายตัวคนเขาทั้งหลายก็รอว่าเมื่อไหร่นะกรรมจะให้ผลจะได้เห็นสีดีๆสักทีใช่จริงๆแล้วสีเกิดจากสมุธฐานสีคือถ้าไล่ไปดีๆนะนั้นตาเนี่ยมีสีสมุธฐานใช่ตัวจากสสัมภาระจากสุขสีที่เห็นทั้งหลายเกิดมีกี่สมุธฐาน สีสมุทฐานแล้วแสงสว่างแล้วปัจจัยของเขาก็ต้องอุตุกเช่นไฟฟ้าเป็นต้นก็เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยแล้วอาวชนะล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วกรรมในอดีตจึงมาให้ผลได้วันแสดงว่าการที่จะเชิญให้กรรมให้ผลเนี่ยโอ้ต้องเตรียมสถานที่ใหญ่โตมั้งไงใช่ไหมก็บอกว่ากรรมเหมือนพระราชาถ้าจะให้พระองค์เสด็จนะียเราต้องเตรียมการใหญ่โตนั่นต้องเตรียมการใหญ่มากทีนี้ถ้าเป็น อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้เนยเนยะตาละคติอุปธิและประโยคะเถอว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อวิบัติกรรมทำไม่แล้วก็จริงแต่ถ้ากาลวิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้คติวิบัติกรรมก็อันนี้หมายถึงกุศลกรรมนะกุศลกรรมทำไปแล้วละ่ะแต่มาเกิดในคติที่วิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีอุปธิวิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้ เกิดมามีประโยควิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีอะไรวิบัติอีกกาลคติอุปธิประโยคะกาลคติอุปธิประโยค้เนี่ยนะถ้าเจอวิบัติสประการเข้าไปนะบุญให้ผลไม่ได้บาปที่ทําไปแล้วนะเจอประโยคสมบัติก็ให้ผลไม่ได้จะต้องได้รับประโยคะที่วิบัติคติวิบัติอุปธิวิบัติกาลวิบัติอากุศลจึงให้ผลได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ วิบากทั้งหลายที่จะให้ผลเนี่ยนะต้องอาศัยกาลคติอุปธิและประโยคะต่างจากประเภทกรรมที่นําเกิดนะกรรมที่นําเกิดนี่ก็ถ้าเลือกเกิดที่ดีๆหน่อยเนี่ยยากแต่ถ้าให้มันไหลไปนเนี่ยว่าตามจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าอย่างงี้ไม่ยากเนียนะลงหลงลืมลืมปัมป๊มปัมป๊มเปิลเปิลก็พาเกิดได้หมดอะอย่างนี้นะไม่ค่อยห่วงอะนะแต่ถ้าจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยแหมาชาวนาจิตก่อนตายนี่ต้อง ต้องเยี่ยมหน่อยนะถ้าไม่แต่งให้เยี่ยมเยี่ยมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไม่ดีแล้วจะลำบากยังคิดถึงนะโพวกสัตว์ในอบายถ้าจะไปเกิดในพวกภูมิที่ดีมันจะไปได้ยังไงนอเกิดมานะไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเลยใช่พวกเดราชานที่อยู่ของเดราชานนะปฏิรูปประเทศก็ไม่ใช่อ น, นะเพราะฉนั้นถือว่าอะไรอะไรวิบัติคติวิบัติก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมเพราะที่อยู่ของเดราชาทั้งหลายเนี่ยนะ จะได้ค่าๆอยู่สบายแบบหมาคุณชินมีไม่กี่ตัวนะะแต่ว่าแต่คคติวิบัติซะอย่างเดียวนี่จบเลยนะั่นทินเนาะฟังทำก็ไม่ได้เปิดธรรมะให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะอะไรเพราะคติวิบัติพอคติวิบัติอะไรวิบัติต่ออุปธิก็วิบัติเนี่ยนะอุปธิวิบั ต, บติแล้วประโยคะฝึกซ้อมอะไรก็ไม่เป็นเรียนอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็อะไรวิบัติอีกกาละ กาละเนี่ยที่วิบัติมากก็คือกาละสมัยที่เกิดในเดรชาเ น, นี่ถือว่าเป็นกาลวิบัติอย่างมากเลยนะไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจรรย์ผิดการอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดเป็นสัตว์ในอบายวันก่อนเนี่ยนะไปที่ไหว้พระเกี้ยวแก้วที่พุทธมนตนมานึกถึงกันนะแล้วก็พกอาหารปลาไปเก้าวกระสอบก็เลยวันนั้นก็ไปโปรยโปรยโปรยโอ้ยประดุกขึ้นมาเต้มไปหมดเลยนะ ก็นึกในใจนะไอปราดกเหล่าน like okay, <laughs> ั้นก็อยู่ข้างๆหอพระไตรปิฎกนั่นแหละมันเคยขึ้นมาอ่านพระไตรปิฎกบ้างไหมไม่มีมันก็อยู่ใกล้ๆพระเคี่ยวแก้วเขาก็อัญเชิญมาอยู่ใกล้ๆนะก็ไม่ไหวพระไตรปิฎกเออก็ไม่ไหวพระเคี้ยวแก้วเอกสรบอว่าวิบัติมากเลยนะตกไปในบ่อทีเดียวจบหมดเลยนะใครจะทําบุญพระพุทธเจ้าเกิดมาอีกกี่ยี่สิแปดพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าไปต้อมแตมต้อมแต็มเล่นอยู่ตรงนั้นนะเมื่อไรเนาะจะได้อาหาร นะถ้าตัวโตหน่อยเตรียมสูบเอาเลยนะถ้าใครเทอาหารปั๊บมันดูดเลยนะตัวใหญ่ๆเนี่ยมันถ้าไปเกิดณนะที่นั้นแล้วแม่มัน น, น่าหนักใจมากเลยนะบรรดากรรมที่จะให้วิบากเกิดในเดชะฉานภูมินี่คืออะไรอย่าลืมพุทธพจนะว่าคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือนรกกับเดชะฉานมันเวลาเห็นเดชะฉานเมื่อไรสาวไปหาวันนี้เป็นผลของมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้ามีผู้ถามเราว่า แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะทุกคนไม่อยากไปอาบายใช่ไหมทุกคนไม่อยากไปเกิดเป็นปลาแบบนั้นหรอกเพราะกลิ่นก็ข้าวข่าวขึ้นมากๆเกขาวมากเลยนะแต่พอไปเจอเครื่องเทศเข้าก็เลยหอมไอ้มีเครื่องเทศนี่ข้าวมากนะเจอเครื่องเทศเจอความร้อนเจออะไรนะเจอพวกใบอะไรทั้งหลายแหละเท่ๆเข้าใบกลายเป็นหอมกลุ่นอย่างนี้นะแต่ว่าสรุปว่า ถ้าไปเกิดณนะที่นั้น น, นเนี่ยนะกรรมที่นําเกิดก็คือกลุนะ่มอ่ะนะมิจฉาทิฐิเป็นต้นถ้าเห็นอบายปั๊บสาวไปหาเลยต้นเหตุคือมิจฉาทิฏฐิแต่นี้ทวนว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าฉันเนี่ยคือผู้มีสัมมาทิฐิเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบคุณลาวันบอกให้เอากรร ม, มสกตานี่เราก็คงตอนนี้นะเราเรานี้เป็นผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็น ผู้รู้ตอนนี้ขอมอบไว้ความวางใจให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษชั้นว่ามีโทษสิ่งใดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณชั้นว่ามีคุณนะก็คือถ้าเรามีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะแสดงว่าเราเนี่ยหืมกรรมหนักหนาะสาหัสมาเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอดีตนี่คงทําอะไรวิจิตพิสดารลึกๆอะไรมากมายเลยแหละ เพราะตอนนี้เราก็ถือว่าถ้าเรายังมีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอยู่เราก็กเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นของเราคลาดเคลื่อนจากความเห็นของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เราดูได้ยังไงว่าเรารู้ได้ยังไงเราก็เอาพระสูตรทั้งหลายมาตรวจสอบดูว่าความเห็นของเราขัดกับสูตรใดบ้าง อ, นนนะอันนี้คื อ, คอไม้บรรทัดเครื่องวัดนะ เรามีทิฏฐิขัดกับสูตรใดบ้างแล้วความเห็นของเราสอดคล้องกับสูตรใดบ้างหามายืนยันะนะเหมือนกับข้อปฏิบัติที่เรากําลังเจริญกันอยู่ที่เราปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกเนี่ยนะเรานับถือพระธรรมว่าเป็นสารณะอยู่แล้วใช่ไหมทำมังสารนางฆาชามีก็คือปริยัติเอาปริยัติมาตรวจดูเข้ากับปริยัติสูตรไหนแล้วขัดกับปริยัติที่ใด เอาเข้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเอาดูเอาที่ขัดด้วยนะว่าขัดหรือไม่ทําไมจึงขัดเหมือนเหมือนในความคิดของเราหรือว่าเหมือนตามพยัญชนะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆแต่ที่แน่ๆรับผิดชอบด้วยตัวข้าพเจ้าเองทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนรับผิดชอบเองอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยนะเราจึงมอบความไว้วางใจทั้งมวลเหล่านี้ให้แก่ พระพุทธเจ้าผู้ทางสารนังค่าฉามิเนี่ยนะทำมังสารนังค่าฉามิสิ่งที่พระ อ, องค์ตัดมาเนี่ยข้าพเจ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเห็นตามแต่พยายามจะเห็นตามพยายามนะต้องว่าพยายามเลยนะทําไมอะ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าว่าอสุภาพเราก็ยังว่าสวยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเราต้องพยายามเห็นตามใช่พระพุทธเจ้าบอกอ น, นิจจังเราก็บอกโอ้ใช้งานได้อีกนานอย่างเงี้ยนะก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนัตตาโอ้ดูแลได้คุมได้อย่างเงี้ยนะ มันก็หลายๆเรื่องก็ยังมีความเห็นที่เหมือนขัดแย้งบ้างเวลาอากุศลเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการเกิดแต่ว่ารวมๆพยายามจะเห็นตามสมาทานขอที่รู้ตามเห็นตามแล้วท่านอยากให้เรารู้อะไรล่ะพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรรู้อะไรว่าเป็นกุศลอะไรว่าเป็นอกุศลแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นอกุศลน่ะเพราะมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ท่านผู้รู้ตําหนิ ท่านผู้รู้ตําหนิเนี่ยนะอันนี้ลักษณะของอกุศลเพราะมันมีโทษเช่นราคะเนี่ยนะมีโทษหรือไม่มีโทษโทษในปัจจุบันก็เห็นอยู่โทษในสัมปรายภพก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยชมเลยตัณหานี่ดีจริงๆมีแต่ว่าตัณหานั่นใดที่นําเกิดในภพใหม่เนะโรงนั้นนะมีแต่ตํำหนิ่ะนะองค์จึงบอกว่าถ้าชนะตัณหาอย่างเดียวนะชนะวัฏฏทุกข์ทั้งมวลได้ ท่านตำหนิตันหามาเพราะถือว่าตันหาเป็นเหตุแห่งความโศกความพิไรรำพันความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ล้วนแต่มีตันหาเป็นปัจจัยพานเราก็สมาทานที่จะเห็นโทษของตันหาโทสะก็มีโทษทั้งพบนี้มีโทษทั้งพบหน้านนะผู้รู้ทั้งหลายก็ตำหนิติเตียนไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็ต้องสมาทานประพฤติกุศลธรรมเพื่อจะกาจัดโทสะ โมหะทั้งหลายความไม่รู้ความมืดความบอดความหลงเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความทุกข์มีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาสัตว์ทั้งหลายผู้ลุ่มลงแล้วเนี่ยนะที่เวียนว่ายไปในวัฏจักเนี่ยตกทุกข์ได้ยากหาประมาณไม่ได้ก็ประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อกำจัดโมหะแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องกาจัดโทสะละ่ะศีลสิกขาที่เรากาลังศึกษากันอยู่ ศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นคุณเครื่องเพื่อกำจัดโทสะการสำรวมกายการสำรวมวาจาการสำรวมทั้งกายและวาจา ก, การสำรวมอินทรีการพิจารณาปัจจัยสี่การสแสวงหาปัจจัยสีโดยคันลองแห่งธรรมะโดยคันลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นคุณเครื่องเพื่อกำจัดโทสะแล้วคุณเครื่องเพื่อกำจัดโลภะล่ะ สมถะทั้งหลายอาสุภกรรมฐานทั้งหลายนนะการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นคุณเครื่องเพื่อกําจัดความโลภแล้วความหลงความโง่ความเห็นผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนก็สมาทานทิฏฐิวิสุทธิการเห็นตามตามเห็นพูดตามความเป็นจริงเห็นพูดคือขันห้าตามความเป็นจริงเห็นขันทาศายตนะตามความเป็นจริงอันนี้การสมาทานอย่างนี้นี่แหละเรียกว่ามี ความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องแล้วเห็นเหล่านี้เห็นเพื่อจะข้ามความสงสัยข้ามความสงสัยในอดีตข้ามความสงสัยในอนาคตข้ามความสงสัยในปัจจุบันยิ่งทํายิ่งสงสัยรู้เลยผิดแน่นอนยิ่งทํายิ่งไม่แน่ใจเอ้มันดียังไงเนี่ยนะตอบก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ถูกเขาว่าดีอยาดเขาว่าแล้วคุณเชื่อว่าดีจริงไหมล่ะกาเขาว่าดีก็แล้วกันน่นนะเขาไม่หลอกเราหรอกนั่นแหละถูกหลอกแล้วล่ะ มันก็ต้องมาทบทวนให้ดีๆนะว่าเอ๊ิ่งที่เราทำเนี่ยนะเพราะว่าการตรวจสอบตามคำสอนไม่แม่นยำเพียงพอเนี่ยนะทางแห่งความลุ่มหลงง่ายทางแห่งความถูกน้อยนิดเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาคำสอนนำหน้าเป็นเครื่องดาเนินไปเรื่อยๆยากที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็อย่างว่าคติสองแล้วก็ไม่ใช่มีกล่าวไว้สู่เดียว มีไว้หลายสูตรด้วยกันเช่นเช่นอะไรกุกุโรวาทสูตรเนี่ยนะกุกุโรวาทสูตรแล้วก็ในปฏิสัมพิธามมรที่กล่าวถึงปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็ยังมีกล่าวว่ามันมีโทษ จ, จริงๆเนี่ยนะั้นถ้าหากว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะทิฐินี่เป็นมรข้อที่หนึ่งในบรรดามรแปดมิจฉามร ก, ก็ขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฐิสัมมามร ก, ก็ขึ้นต้นด้วย สัมมาทิฏฐิสรุปว่าในโลกนี้สาระสําคัญที่สุดคือความเข้าใจหรือความเห็นความรู้ความเห็นความเข้าใจสําคัญที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะพ้นโลกหรือจะเฝ้าโลกก็อยู่ที่ความเห็นนะพ้นโลกก็คือโลกุตระใช่ไหมเฝ้าโลกอะเฝ้าโลกก็อยู่ที่มิจฉาทิฏฐิบัณฑตัวทิฏฐินี่สําคัญมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดูได้ยังไงว่า ข้อประพฤติในที่สุดของมิจฉาทิติบุคคลมิจฉาทิติบุคคลทั้งหลายผลอย่างหยาบที่ออกมามิจฉาทิติน้อมไปเพื่อทำปาณาติบาตอันนี้นี่เครื่องวัดนะผลของมิจฉาทิติมิจฉาทิติบุคคลน้อมไปเพื่อทำอธินาทานมิจฉาทิติบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อการเมสุมิจฉาจารมิจฉาทิถิบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อมุสาวาตมิจฉาทิติ บุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อปิสุนาวาจามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อสอเพื่อพุสวาจาพูดคำอยากมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายน้อมไปเพื่อเพ้อเจอ้อน้อมไปเพื่ออภิอภิชาน้อมไปเพื่อพยาบาทในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมมิจฉาทิฐิอย่างเต็มที่รู้ได้เลยว่านั่นเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิบุคคลเกลียดการเจริญกุศล เกลียดการเจริญกุศลเป็นที่สุดเห็นการเจริญกุศลเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเนี่ยนะเช่นเห็นว่าการสวดมนต์เป็นความเนิ่นช้าเสียเวลาอย่างงี้ยนะโอ้เขาจะเรียบไปไหนเนาะเนี่ยนะนั่งคิดๆนั่งคิดคิดนาจัดนะโอ้สวดมนต์เสียเวลามากว่างั้นอ่ะแล้วคนไม่สวดคุณจะไปทําอะไรก็เรียบไปปฏิบัติธรรมอ้าวคุณสวดมนต์คุณไม่ได้สัเสนพระธรรมหรือเอองงเหมือนกันก็เลยรู้จะเอาไงเนาะ โลกนี้ถ้าไม่รู้สัอย่างเดียวนี่หมดเลยนะจบเลยทุกเรื่องในโลกเนี่ยนะคนโง่เนี่ยนะเขาไม่สรรเสริญเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยจึงสําคัญเป็นตัวที่ปราบทั้งความโง่ปราบทั้งมิจฉาทิฏฐินั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐินั้นจึงปฏิบัติพรรมเพื่อความพ้นทุกข์มันสรุปว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสรุปว่าเราเข้าใจว่ามีศีลหรือไม่มีศีลดีอย่างนี้นะ เข้าใจว่าปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงดีหรือไม่ดีเข้าใจว่าการพิจารณาวิจัยนามรูปเป็นความดีหรือไม่ดีการวิจัยจนรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปเพื่อข้ามความสงสัยนี้ดีหรือไม่ดีวิจารณญาณอันนี้ต้องแม่นยาถ้าเม่นยำได้ลักษณะนี้จึงรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกาหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทาให้แจ้งถ้า แยกแยะจำเนกได้อย่างนี้ก็สา ม, มารถที่จะถือเอาสาระของชีวิตไปได้ชีวิตนี้ก็ไม่เป็นหมันไม่เป็นโมคะเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่งั้นนะพอสมมติว่าชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุอีกอะไรก็หม่ได้ไปสักเรื่องนะพอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาบอกอุย้ยสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมพวกเราไปทําอะไรกันอยู่เนี่ยนะก็จะถามแบบนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดูซิว่าจะไปทําอะไรกัน